you <laughs> รอถามใช่ไหมราถามเพราะความสงสัยก็จะเล่าถึงประสบการณ์เรื่องความสงสัยและก็อยากถามให้ฟังสักหน่อยบางคนอาจจะเห็นธรรมะจากความสงสัยของเราโดยที่ไม่ต้องถามก็ได้ประสบการณ์นะผมเคยนอนเจิตสติอยู่ที่บ้านไม่มีครูบาอาจารย์ หลวงพ่อคาเขียนท่านผู้ที่เขียนจดหมายบอกวิธีกา ร, กรเจริญสติให้ผมทางจดหมายม ใ, ให้ผมปฏิบัติอดีที่บ้าน<ช>พวกเรานี้โชคดีมีเพื่อนปฏิบัติอยู่ร่วมกันมีคุณหลิ่งง่มีพรคุณเจ้าร่วมในการเข้าคดปฏิบัตินี้ท่านสงสัยเมื่อไหร่ท่านก็ถาม เพได้คําตอบผมปฏิบัติอยู่ที่บ้านสงสัยมากเลยจเจริญสติไปก็สงสัยไปและไม่รู้ว่าจะถามใครดีแล้วก็จําหลักของการปฏิบัติเอาไว้จําหลักวิธีการปฏิบัติเอาไว้คือการจเจริญสติแบบไม่ต้องใช้ความคิดเนี่ยนอนพลิกมือแล้วก็รู้พลิกมือควา่าแล้วก็รู้ ทิศหนึ่งหายแล้วก็รู้ที่มนความแล้วก็รู้รู้แบบไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดอะไรเป็นคำว่ารู้สึเกเฉยเฉยะรู้ใยใจเป็นกลางกลางอย่างนี้นะวันหนึ่งขณะเราไม่ตั้งใจคิดนะพอทิกมือไปที่มามันจะมีความคิดขึ้นมามันคิดสงสัยสงสัยอยากจะถามครูบาอาจารว่าเนี่ยเราทําถูกหรือเปล่าพยายามไม่สนใจมัน มันคิดไม่สนใจกลับมารู้สึกตัวนี้ทานี้และมันก็สงสัยให้ความสงสัยเนี่ยมันเป็นความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดแต่จิตมันปรุงขึ้นมาเองมันอยากหาคำตอบว่าเราทำถูกหรือเปล่าแต่เราก็ไม่ไ ม, ไ, มไม่หาคำตอบเพราะไม่ยด้ถามใครเมื่อหาคำตอบไม่ได้เราลองมารู้สึกที่ความสงสัยดิ วา่าตัวนี้สติมารู้อยู่ที่ความสงสัยรู้แบบไม่คิดรู้แบบดูดูความสงสัยพอเราเห็นความสงสัยตอนนี้เขารู้สึกว่าให้ความสงสัยที่มันเกิดจากความคิดเนี่ยความสงสัยที่เกิดจากความคิดที่เราไม่ตั้งใจคิดเนี่ยมันกดดันจิตใจเรามากเราก็เห็นความสงสัยด้วยใจที่เป็นกลางไม่ต้องหาคําตอบแล้วก็ไม่ต้องรานเกีย รู้ชเฉยๆพอเราดูด้ใจเป็นกลางๆเห็นความสงสัยไดใจเป็นกลางเนี่ถ้าเดียวความสงสัยค่อยๆจางคลายหายไปเลยมันก็สงสัยกันอีกเราก็รู้อีกพอรู้ทีไรรู้ในใจเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายมันก็ค่อยๆจางคลายหายไปสงสัยทีไรก็รู้ทันสงสัยทีไรก็รู้ทัน ต่อไปเนี่ยความสงสัยเนี่ยมันไม่มีเกิดขึ้นเลยเห็นความสงสัยมันเกิดแล้วกระดับแล้วมันก็หายไปเลยอ๋อความสงสัยเนี่ยมันไม่มีตัวตนอยู่จริงมันจริงแค่ความคิดชั่วขนาดเลยพอเรารู้ทันมันก็หายไปถ้าเราหาคำตอบตอบได้เดี๋ยวมันก็ต้องสงสัยว่าหาคำตอบที่ไรมันก็ต้องสงสัย สงสัยเรื่องนี้ตอบเด็ดไปสงสัยเรื่องใหม่ความสงสัยมันจะขึ้นในใจตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตายมันมีกวามสงสัยในเรื่องเราก็ต้องหาคําตอบจนทั้งเราตายเมื่อก่อนจะตายบอกโอ้สงสัยอีกตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนเกิดเป็นอะไรก็สงสัยกระทั้งชาตินี้แล้วก็ชาติหน้าทีนี้เพระมันสงสัยเราไม่หาคําตอบเราดูอ๋อเข้าใจเลยความสงสัยคือความคิด คือความคิดเราไม่เชือ่อะไรต่อไปมันไม่สงสัยอะไรเลยมันได้คําตอบต่อไปเราก็รู้ทันในความสงสัยซะมันได้คําตอบมันเลยเป็นทีดสุดของความสงสัยเพราะผมสงสัยขึ้นมาแล้วเนี่ยผมยังไม่ถามเพราะไม่มีจะถามใครโชคดีที่ไม่รู้จะถามใครเราทําไปเรื่อยๆมันก็ได้คําตอบด้วยตัวเราเองถ้าเราถาม หรือว่าคาเขียนแล้วยิ่งสงสัยเวลาเกิดค ว, วามสงสัยเราทําไปเรื่อยๆอ๋อมันจะเป็นคําตอบอยู่ในตัวของการปฏิบัติเลยสรุปเลย ว, ว่าการจริตติเนี่ยมันไม่มีคําถามอยิ่งทําไปมันมีแต่คําตอบคำตอบอ้ออเข้าใจแล้วอืยิ่งทําไปมันยิ่งมีคําตอบมไม่นมีแต่คําตอบมีแต่คําเฉลยไม่มีคําถามเลยทีมันเป็นความรู้จัก ของเราเองไม่ใช่ความรู้จักที่คุณอื่นมาบอกเราแต่พวกเราถามได้คําถามของท่านเนี่ยมันเป็นความรู้ของผมผมเอาคำถามต่อเนี้ยเอาไปช่วยอื่นได้มากมีประโยชน์ถามได้ยินดีตอบทุกคำถามคําถามไหนตอบไม่ได้เราก็บอกว่าตอบไม่ได้ยังตอบทุกคำถามเวลาทํางานก็ตงตั้งใจคิดเกี่ยวกับงาน ทีน oh. ี้เจะรู้สึกตัวอย่างไงอ๋อไม่ต้องสงสัยเลยเราจะทําอะไรให้เรามีความตั้งใจความตั้งใจนั่นแหละคือความรู้สึกตัวผู้รู้กับที่ถูกรู้เขาบอกว่าต้องฟังหลีดองแปะตอนเช้าสงสัยอ้อนไปอ้อนมาจนงงไปหมดนะเขาบอกว่าตอนเช้าคือผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้เป็นเรื่องเดียวกันเขาได้มีมา่นหลีดงแปะแบบนี้ ก็พยายามบอกว่าไม่ใช่ยยใช่แต่มันคนละสิ่งกันผู้รู้ <c oughs> ก็คือจิตสิ่งที่ถูกรู้คือสิ่งที่มันปรากฏอยู่แยกแยะกันจิตที่ปึกแล้วเนี่ยมันจะมีสติควบคุมอยู่ <c oughs> มันจะเป็นผู้รู้ที่ที่มันตื่นออกมา <c oughs> รู้อะไรก็รู้กายเคลื่อนไหวกายเคลื่อนไหวเป็นสิ่งที่ถูกรู้ รู้อะไรรู้ความคิดที่มันปรุงแต่งความคิดกือสิ่งถูกรู้ผู้รู้คือจิตล้วนๆที่ไม่ใช่กายเคลื่อนไหวและไม่ใช่ความคิดปรุงแต่งอธิบายตัวอย่างให้ฟังทุกคนฟังแบบนี้นะไอ้ที่มันมันเป็นสองสิ่งที่ไม่ใช่เดียวกันเนี่ยมันแยกกันด้วยหน้าที่ของการทําจิตเนี่ยจิตเนี่ยทําหน้าที่รู้สัวร่างกายเนี่ยมันเคลื่อนไหวร่างกายรู้อะไรไม่ได้ จิตมันทำหน้าที่รู้ร่างกายมันรู้อะไรไม่ได้สองอย่างกายจะรู้อย่างจิตไม่ได้หน้าที่มันจริงทำคนละหน้าที่กายจะรู้อะไรไม่ได้เลยคนตายนี่ไม่รู้อะไรหรอกแต่จิตเนี่ยมันรู้กายได้เพราะจิตมันทำหน้าที่รู้มันแยกกันด้วยการทำหน้าที่อย่างเช่นเนี่ย ร่างกายเนี่ยทำหน้าที่พิการทาหน้าที่พิการร่างกายเนี่ยมันเคลื่อนไหวอะไรไม่ได้แต่จิตเนี่ยไม่ได้พิการจิตทำหน้าที่แก้เป็นผู้รับรู้รับทราบเอาไว้จิตทำหน้าที่คือจิตเนี่ยมันฝึกแล้วมันฝึกแล้ว จ, จนตื่นออกมาแล้วเนี่ยเมื่อก่อนนี้ร่างกายพิการจิตก็ต้องพิการด้วยเป็นทุกข์ด้วยเพราะจิตมันยังไม่ตื่นมันยังไม่แยก แต่เวลาเจอสตินานเข้าเนี่ยจิตมันตื่นตื่นมาโอ้จิตนี่มันรู้จิตไม่ได้พิการจิตมนันทั้งที่รับรู้รับทราบแต่ตัวที่พิการนั่นคืออะไรคือร่างกายที่มันเคลื่อนไหวไม่ได้มาละแยกกันโดยหน้าที่เมื่อก่อนนี้ร่างกายพิการใจก็พิการด้วยเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งคู่ใช่ไหมเวลาเราร่างกายป่วยไข้เนี่ยใจก็เป็นทุกข์มากเลยกายป่วยใจก็ป่วยไปด้วย พอเรามีความเข้าใจมีความรู้ตัวเนี่ยอ๋อไอที่มันป่วยไข้นี่ไม่ใช่จิตใจใจเป็นแค่รับรู้ไอป่วยไข่ก็เรื่องของร่างกายจิตเลลาออกจิตเลยายเป็นผู้ดูร่างกายเป็นสิ่งที่ถูกดูก็ดูแลร่างกายไปไม่ต้องเป็นทุกข์กับร่างกายแล้วร่างกายก็ต้องแก่ต้องตายก็เรื่องของร่างกายใจไม่เป็นอะไร อันนี้ไม่ใช่ความคิดถ้าคิดเท่าไหร่เนี่ยเราจะไม่เข้าใจหรอชัวร mm hmm. กว่าเราจะเริ่มสติให้จิตมันตื่นแล้วเราจะเข้าใจไม่ใช่ความคิด mm hmm. มันต้องมีการปฏิบัติยิ่งคิด ย, ยิ่งเป็นคำถามอ่ะแต่คนนี้ประโยชน์แรกที่เขาถามในข้าไม่ถึงว่าสิ่งที่ผู้รู้กับโถรู้เป็นเรื่องเดียวนะั้นพอเรื่องไงแจะมาอาศัยอยู่ด้วยกัน ยิ่งถามที่ไปกันใหญ่เลยค่ะก็ mm hmm. อบอกว่าอพออา่านหนังสือหลวงพอ่พอพ่อเกียนอเป็นแต่ไม่เป็ดแต่ว่ า, าพออ่านจบแล้วก็ mm hmm. รู้สึกดีมากแต่คําถามของเขาเคือเขาเข้าใจว่าหลวงพ่อพูดถึงหนึ่งทีนี้สิ่งที่ถูกรู้กับผู้รู้เนี่ยจะรวมและเป็นหนึ่งลรอคะรวมกันเป็นหนึ่งได้อย่างนี้เขาก็เลยเอางี้ มันมีขวดอยู่ขวดหนึ่งในขวดนั้นมีน้ำแล้วก็มีน้ำมันน้ำกับน้ำมันเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่มันรวมอยู่ในขวดเดียวกันเหมือนร่างกายเราเนี่ยจิตอาจจะเปรตเสมือนน้ำร่างกายเนี่ยอาจจะเปรนเสมือนน้ำมันซึ่งมันอยู่ด้วยกันเนี่ยแต่มันมันเป็นข้ออางเดียวันอันนี้อันนี้ในตับ <K an ye> เขาอยากจะรู้ว่าหนึ่งจิตหนึ่งคืออะไรจิตหนึ่งคือจิตที่ไม่ปรุงแต่งะเขาเข้าใจว่าคือสิ่งที่ถูกรู้กับสิ่งที่ผู้รู้รวมกันเป็นหนึ่งไม่รวมคือจิตที่ไม่มีการปรุงแต่งว่าเป็นอะไรจิตที่เว่าจิตที่มันไม่ปรุงแต่งจิตไม่ปรุงแต่งอะไรนั่นจิตหนึ่งจริงๆจะมีคำพูดคำเล่นเชิญฟ้องฟ้ากับคนรวมให้เป็นหนึ่ง มาแต่ละจิตแาวแล้ ว, ลวรเราอะไรสนใจคนนี้มาแต่คนนั้นแน่ <c oughs> คือคือจิตหนึ่งเนี่ยคือจิตพ้นจากการแบ่งแยก <ừ ừ, S 2> ดีชั่วบุญบาปถูกผิด <c oughs> อันนั้นคือการปรุงแต่งจิตหนึ่งเป็นผู้แค่รับรู้เอาไว้ ừ, ไม่มีดีไม่มีชั่วไม่มีบุญไม่มีบาป <ừ, S 2> ไม่มีถูกไม่มีผิด <ừ. S 2> คือจิตที่ไม่ปรุงแต่งคือจิตเดียวจิตที่เหนือสมมติอะ ขอให้เราเจริญสติรู้สึกตัวล<ม>้วนๆเนี่ยรู้รู้แบบไม่คิดเนี่ย<ม>เราจะเห็นจิตหนึ่งได้เ้าเรียกจิตที่มันพ้นออกไปพ้นออกไปจากความกับสมมุติทั้งหลายามีชั่วปุ่มจิตจิตพ้นไปแล้วเขาเริ่มเจริญสติเนี่ยนะเริ่มแบบรู้ไม่ต้องคิดเนี่ยจิตมันหนึ่งแล้วละ่ะรู้แบบไม่ต้องคิดรู้ซื่อๆรู้เฉยๆแค่สุดเม่วานเขาทั้งวันวันนี้โมโหตื่นเลย เป็นไปทายังไงก็มันตื่นขึ้นมาแล้วก็เขาบอกว่าวันนี้มีเขาอยู่ที่ครั้งสองครั้งแล้วรู้สึกตัวได้อย่างดีเลยนะโอเคสาธุสาธุสาธุเาบอกนี่็ผลใช่ไหคะนี่กผลใช่ถูกต้องถูกต้องทต่อไปเรื่อยๆทาต่อไปเรื่อยๆกลังดีแล้วจะเจอจิตหนึ่งแลอ่างนี้เขาบอกว่ามาที่นี่ไม่ใช่มาเที่ยวมาที่นี่เพื่อมาปฏิบัติเขาตั้งใจ เขไม่นอนเที่ยงแล้วก็กลางคืนเขาก็รอให้เดินจุกบรอให้เพื่อๆอาบน้ําอะไรทุกอย่างเสร็จเขาค่อยไปอาบน้ําเพราะว่าวันนี้วันที่ห้าแล้วเดาจังเลยโอ้เอาตัวสิกบันนลยงให้ทําต่อไปเรื่อยทำแบบสบายๆทาให้ต่อเนื่องแล้วก็จะไปหวังผลได้เลยอ่านหนังสือสมมุติการอ่านหนังสือทีอาจจะมีตรงไหนที่มันเจ็บหรืตรงไหนที่มันผา แล้วต้องไปกาวตรงนั้นเพื่อที่จะรู้สึกตัวไหยเราว่ารู้สึกตัวตอนอานหนังสืออออาจจะปวดท้องสักไหลวิ่ทีนี้คือรู้สึกตัวที่กำลังอ่านหนังสือเราว่ารู้สึกตัวที่ปูกอันไห น, น, นที่เรารู้ได้อืรู้ไปแล้วรู้ที่ระยานคําคว่าผู้ดูผู้เป็นเน้องเขียนไหมถึงผู้ ด, ดูเนี่ยไม่ทุกผู้ ด, ดูเนี่ยไม่เป็นทุกแต่ผู้เป็นเนี่ยมันจะเป็นทุก หลว่อจะเน้นว่าให้เป็นผู้ดูเพราะว่าผู้นี้เพราะว่าคํานี้มันจริงทำได้เหมือนรวมกันในชีวิตประจำวันสมมุตินวดนวดขาอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมก็ทําอะไรก็ได้ให้มันรู้สึกตัวกันล้วันเราทําอะไรเนี่ยให้เรารู้ว่าเราทําอะไรการปฏิบัติเนี่ยนะอย่าทําอะไรแปลกๆให้เป็นธรรมดาใช้ชีวิตแบบปกติธรรมดา แต่ธรรมดาของเราเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่มีความรู้ตัวเดี๋ยวนี้ใช้วิธแบบธรรมดาแต่เติมความรู้ตัวรู้ไปด้วยว่าแต่ตอนนี้กําลังทําอะไรตอนนี้เมื่อก่อนเรามันกโกรธเดี๋ยวนี้ก็โกรธได้แต่เดนี้โกรธแบบรู้ตัวว่าเรากำลังโกรธเมื่อก่อนนี้กโกรธแล้วไม่รู้ตัวเราก็พูดแล้วก็ทําไปตามความโกรธอันนั้นโกรธแต่ว่ามีปัญหาแต่ตอนนี้เกิดความโกรธบ้างให้รู้ตัวเลย มันจะจบอยู่ที่ความโกรธจะได้ไม่พูดจะได้ไม่ทําำไม่เป็นธรรมชาตินะทั้งหมดที่พูดนะแต่ความคือเมืองไทยเราติดอยในป่ากแล้วเราควรจะเข้าปากหมดไหนเราว่าบ้านเขาอยู่ในเ้าพูดมาเหมือนอยู่บ้านใต้ดินเมืองจีนมีนะบ้านที่อยู่ใต้ดินะอะอบ้านเขาอยู่ใต้ดินเขาก็เลย รู้ึกไม่สบายใจว่าเคยเดินจปงเยเมือนในใต้ดิทำไมรู้ว่าเมืองไทยไปว่าในป่าเคยอ่านหนังสือไงว่อเราแจกหนังสือผู้มารู้สึกตัวบนพ่อเท้การเจริญสติเนี่ยทำที่ไหนก็ได้ในป่าก็ได้ในบ้านก็ได้ในวัดก็ได้ในห้องน้าห้องส้วมยังได้กำลังชอปปิ้งยังทำได้เลยถ้าตรงไหนมีกายที่เคลื่อนไหว สติรู้ได้ก็ปฏิบัติได้ mm hmm. เราอยู่ตรงไหนจิตบางคิดตรงไหนให้รู้ทันตรงนั้นเราก็ปฏิบัติได้ mm hmm. ถ้าเข้าป่าแล้วขาดสติ mm hmm. ก็สู้ในถ้ำบ้านเราแล้วมีสติไม่ได้ทำได้ทุกที่ทุกเวลายกเว้นตอนที่เรานอนหลับเท่านั้นทำ ไ, mm hmm. ไ, ได้ทุณนายนั่งนายกำลังจะทำงาน บอกว่าทีนี้เวลากับปฏิบัติปีหนึ่งควรจะเข้กากรรมฐานกี่พังหราอว่าวันหนึ่งควรจะปฏิบัติกี่ชั่วโมงเพราะว่าเราทํางานทั้งนั้นเนาะเราไม่ได้อยู่ในวัดไ่ใช่นักนวเราไม่สามารถยก ม, มือแบบนี้ได้หลายคําถามหนึ่งคือวันหนึ่งอยู่ที่บ้านคนจะปฏิบัตินานแค่ไหนอสองคื อ, อปีนึงคนรจะเข้ากรรมฐานแบบนี้สี่พังเพราะว่าเขา ม, มีความรู้สุกว่ามันเข้าอย่างนี้ ดีกว่าตัวเยกมือที่บ้านหลายเท่าเลยค่ะแล้วก็จะยังไงกับครอบครัวถึงจะถึงจะดีค่ะกับปฏิบัติแบบการดูแลครอบครัวให้มันเสมอตื่นเช้ามาเราก็รู้สึกตัวเลยทํำเลยทั้งวันพอตอนหลับไปรู้สึกตัวแล้วก็หลับไปเลยจบหนึ่งวันแค่มีความรู้สึกตัวต้งแต่เช้าเย็นเย็นทํางานก็รู้สึกตัวได้รู้ว่าปัจจุบันเรากําลังทําอะไร จะทําอะไรก็ให้รู้สึกตัวจะพูดอะไรก็รู้สึกตัวมาคิดอะไรก็ให้รู้สึกตัวในปัจจุบันนั้นเป็นการปฏิบัติได้ทั้งนั้นเลยค่ะว่าคำถามของเขาคือแล้เขาจะรู้สึกตัวอย่างไงเพื่อที่จะให้ตัวเองเวลาพูดนะรู้สึกตัวนะอ๋อตั้งใจพูดสิเราจะพูดอะไรแล้วก็ตั้งใจพูดออกมาการตั้งใจพูดนี่ละคือการพูดอย่างมีสติเขาพูดว่าก็แบว่าเข้าใจแล้วว่าแมวก็เล่นใจใช่ เออโอเคนะจะได้จะได้คนที่มีสติแล้วที่กำลังยี like <h <h ่กําลังโกรธสติไม่เกิดที่จริงการปฏิบัติเนี่ยม่รนะกเสียเรียกแต่พูดมาอะไรเนี่ยไม่ใช่สติธก็เสียเรียกม้งไม่เป็นไรหรอกเนี่ยในคอร์สก็มีอะไรอย่างนี้แหละเพราะบางคนเขาก็มีความรู้สึกออกเข้ามาแต่เราสติรู้ทันได้เป็นอย่างคนอย่างเนี้ยเวลาปฏิบัติเนี่ย เราทำงานได้ทั้งวันรล้วสวกได้ทั้งวันทีนี้หมายว่าเราทำงานอยู่ที่บ้านเนี่ยหรือทำอยู่ที่ทำงานเนี่ยบางทีมันมันรู้สึกว่ามันเครียดสติมันจะน้อยลงไปแล้วต้องการมีการยนานมิตรต้องการมีครูบาอาจารย์ก็มีเวลามีโอกาสก็มาข้อๆ้อสักครั้งหนึ่งก็ได้เรามาที่เนี่ยเรามาฝึกหัดฝึกหัดสร้างสติล้วนๆโดยที่ไม่ต้องใช้ความคิด ฝึกเศร้าสติลวนเพื่ออะไรเพื่อจะนำเอาไปใช้ในชีวิตของเราอยู่นี่ก็ปฏิบัติได้กลับไปบ้านไปที่ทํา ง, งานก็ปฏิบัติได้รูปแบบการยกมือเคลื่อนไหวในืวงกลมนั้นเอาไว้ทําเวลาที่เราว่างๆการใช้สติเดียก็เอาไว้ใช้ในชีวิตประจํำวันเราโดยที่ไม่ต้องยกมือก็ได้ที่วัดป่าสุกระโทนเขาจะมีคลอดปฏิบัติมีกลุ่มมาปฏิบัติบางคนเข้ามาปฏิบัติเนี่ย ธรรมชาติธรรมดาแต่พอมาฝึกแล้วเนี่ยออกจากคอไปแล้วตาแข็งเดินตัวทื่อเลยผิด ธ, ธรรมชาติเขาบอกเขามารรลุธรรมเลยคุณครัพวกเราเนี่ยพวกเราเข้ามาเนี่ยปรกติดีแล้วเข้ามาดีแต่ออกไปเนี่ยก็ต้องดีกว่าที่เข้ามานะถ้า ต, ตาแข็งเดินทื่อออกไปคุยกับใครไม่รู้เรื่องเนี่ยต้องเข้าโรงพยาบาลทีนี้คาถามคือคล้ายๆว่าเขากลิ่ยยก ยกตัวอย่างว่าสมมุติยุงมาแล้วทุกคนก็จะไม่ต้องคิดยูงมากัดไม่ต้องคิดมันก็ไปตีองไม่ต้องคิดนะอันนี้มันตีขมันเองเขาบอกว่าคลยๆแบบนี้แบบนี้กับสติมันต่างกันยังไงแล้วนิทงก็เลยถามเพราว่าโตลล็อกเธอตีไหมพอตีตายไ้มตายคนที่มีสติเนี่ยสติเนี่ย มันจะรู้ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําการตียุงเป็นการเบียดเบียนชีวิตเขาถ้ามีสติรู้ทันไปยุงกัดก็จะไม่ตีแต่ถ้าตียุงไปนั่แต่ว่าเราขาดสติตีเลยกว่าโดยความเคยชินตีแบบอัตโนมัติเราขาดสติถ้าสมมุติว่าเราหยิบแก้วน้ํามาเทเหมาไถ่ลงไปเราจะดื่มเหล้าอย่างมีสติมันเป็นไปได้ไหม การที่เราขโมยเปิดเซฟเปิดเซ a นะเราตั้งใจเปิดเซฟเพื่อจะขโมยเงินอย่างมีสติมันจะขโมยได้ไหมถ้ามีสติผู้ชายหาลูกโปโปมาดูอย่างมีสติถ้ามีสติแล้วเนี่ยมันจะรู้จักรับผิดชอบช่วดีสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเขาจะไม่ทำเขาจะคน ม, มีสติจะไม่ทำเพราะาทำไปแล้ว มันจะมีผลอย่างนี้เขาจะไม่ทำคือคนที่มีสติคนมีสติเนี่ยจะรู้จักละอายละอายที่จะทําชั่วจะทําแต่ความดีคนจีนเขาไม่มีพื้นพ<อ>ุทธศาสนาไม่มีเรื่องคนทธธรรมสมัยนี้คือยุงเนี่ยเป็นสิ่งที่มีชีวิตเราก็มีชีวิตยุงมันก็ไม่อยากตายเหมือนกันนะใช่ไหมยุงมันก็ไม่อยากตายมันก็รนะัก <c oughs> ชีวิตเหมืมนมอม น, มนเราเนี่ย ใครมาตีเราเราก็ไม่ชอบยุงก็เช่นเดียวกันไทยไปตีมันมันก็ไม่ชอบเนี่ยคือมีความรักชีวิตเหมือนกันเนี่ยพราะนั้นคนมีสติปั๊บจะไม่ทำจะไม่ทำเพราะว่านัน่นมันมีชีวิตอยู่ไปทำไห้ได้คือคนทั่วไปที่มีชีวิตเนี่ยทั้งสัตว์ทรรมนุษเนี่ยจะรักความสุขจะไม่ชอบความทุกข์เราก็ชอบอย่างนั้นรักความสุขไม่ชอบความทุกข์คนอื่นก็เช่นเดียวกัน สิ่ี่มีชีวิตทั้งหมดก็เช่นเดียวเราตบยุงตายตัวหนึ่งมันเป็นการสร้างนิสใยที่ทาให้จิตเราเนี่ยอาจจะฆ่าคนได้ทั้งคนก็ได้จิตที่คิดจะทำลายเนี่ยเป็นจิตที่ไม่ดีเราทำลายยุงได้ยุงเป็นสัตว์เล็กเราก็จะทำลายแมวหมาช้างนี้ถ้าเจอเสือถ้าเรามีเขาไม่ตาเขาก็ะิวแต่ถ้าเขายิงเราก็ตาย ก็หนีก็หนีิก็หนีเพื่อเอาตัวเรารอดเสือมันไม่มีกินเรามันก็ไปกินที่อ really in ื่นหลยเราต้องหนีเอาตัวรอดก่อนไม่ใช่ให้เสือกินซึ่งเป็นแมวแ่ะแมวมันก็หนีเอตัวรอดนะแล้วเราเป็นคนเนี่ยจะให้เสือมันกัดเราก็ต้องหนีเอาตัวรอดถ้าหนีไม่ลอดก็ไปอย่าการที่เราหนีเอาตัวรอดได้เราก็ไม่ตายเสือก็ไม่บาดเดินจะกกงถึง หมุ่งแล้วก็หยุดสองปีถามตัวเองว่าคิดว่าเวลานี้มีความคิดไหมทำเองนี้ถูกไหมนะไม่ถูเนี่ยไม่ต้องใช้ความคิดไม่ต้องถามเลยถึงเวลาคิดมันคิดมาเองเราเดินแป๊บแล้วก็หมุนกลับเดยธรรมดาเดิที่ไม่ต้องใช้ความคิดไปเดี๋ยวความคิดมันจะเกิดขึ้นมาเองเขาบอกว่ามันมีผลมันมีผลทำให้ความคิดหาย เราไม่ต้องการให้ความคิดหายเพราะเรา <Ừ. S 1> ไปบังคับอะไรมันเราใช้ความคิดเพื่อไปจัดการแต่ความคิดมันก็เหลือความคิดอยู่เดียวจรู้ได้ไงว่าตอนนี้ตัวเองเป็นสมถสมาธิเพรา ะ, ราะว่ากังวลว่าเดี๋ยวกลับบ้านแล้วเราเองไม่รู้ว่าตัวเองเดินเราเครียดไหมถ้าเรารู้ว่าอ๋อนี่เรา เรามีความสงสัยความสงสัยเมื่อเราเครียดแล้วเราเป็นสมาธินั่นแหละให้รารู้ให้ทันบาักเตสตินี่ยคือรู้เฉยเฉยรู้ว่าเคลื่อนไหวรู้ว่านั่งให้รู้ตัวในขณะปัจจุบันเท่านั้นเองจะรู้แบบที่รู้แบบรอบๆคลุมคุมรู้แบบสบายๆแบบไม่เพ่งรู้เฉยเฉยแบบไม่ต้องคิดอะไรรู้ว่าปัจจุบันกำลังทำอะไรก็จบละเขาบอกว่าเขา ปว wow ดตรงนี้ดึงนิ่งจะระเบิดแ้ก็เพลงแล้วก็ต um> um> um> ั้งใจเต็มไปทาแบบสบายๆแบบผ่อนคลายจะได้หายทำเพื่อจะทำอย่าไปทำเพื่อใช้ได้อะไร้าดีขึ้นเหนเดินค่ะองถามก็คือยกมือไป้าจะมีคนใส่เสื้อเหลืองมามีผีมีนกมีอะไรมาพูดด้วยอย่าไปสนใจ หน้าที่ของจิตมันก็หน้าที่ของความคิดตรุงแต่งก็เรื่องของเขาแต่เรื่องเราก็คือรู้สึกตัวอย่าไปห้ามสิ่งนั้นอย่าไปเลยเกียดสิ่งนั้นแต่อย่าไปยุ่งกับสิ่งนั้นมันรู้สึกตัวอย่างเดียวพอให้ความสําคัญกับการเจริญสติเดี๋ยวตัวสติมันจะเด่นไปก็่าไปสนใจสิ่งที่มันเกิดขึ้น <c oughs> ก็บอกเล่าอ า, าเวลาเรายกมือรู้สึกจบและสิอื่นไม่ใช่ยกมือรู้สึกจบและอย่างอื่นไม่ใช่ แครู้สึกสิ่ ง, งอื่นตอนนั้นไม่ใช่เมื่อวันนี้อาจารยา์พูดต่อเช้าปัญญายปัญญายตอนเช้าไงเขาก็ขาตั้งใจฟังมากตั้งใจฟังมากเลยแทบจะไม่มีความผิดเพลินเอ้ยอยู่ๆมันเหมือนตร ง, ตร ง, ต, รงตรงท้องมันก็มีอะไรสั่นปุ๊บปุ๊สองพันแล้วก็เหมือนมีความรู้สึกอย่างแบบทางเพศผู้หญิงผู้ชายเพราะว่เรศเข้าใจว่า ศึกษาธรรมะมานานสมควรล้มันไม่เคยมีแบบนี้ก็ทําไมในเวลานี้มันเกิดขึ้นเรื่องนี้แล้วก็ในเวลาที่ปักปัญญ้ยใยญเรื่องของความคิดเรื่องของจิตเนี่ยมันจะคิดอะไรก็ได้สารพัดอย่างการที่เรามาตั้งใจเกินไปเนี่ยมันทําให้เกิดอาการเพ่งจิตมันจะเครียดสุดแล้วพอจิตบางคลาวมันก็จะคิดไปตามเรื่องนันลมไม่ยวรไปเชื่อมา มันอยากจะคิดอะไรก็ปล่อยมันคิดเลยมันคิดเรื่องอะไรก็ตามให้เรารู้ทันดบรงด้ีความรู้ทัน